ผู้ชายคนนึงนะรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตมากทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่มีชีวิตชีวาแต่ละวันแต่ละวันนะผ่านไปอย่างเชื่องช้ากินอะไรก็ไม่มีรสชาติไปเที่ยวไหนก็ไม่มีความรู้สึกสนุกเหมือนกับเพื่อนๆที่ไปด้วยคุยกับใครนะใจก็เมื่อรลอยเขาคุยตลกก็ไม่ได้หวัวเราะ ในชีวิตนี้มันก็ส่วนมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเบื่อหน่า ก, การมีชีวิตถึงกับบน่นกับคนรอบข้างว่านะไม่อยากอยู่ล้วอยากตายเช้าวันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขากําลังเฝ้าร้านอย่างหน่อยๆนะเพรเป็นเจ้าของร้านก็เฝ้าไปยังไม่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่จู่ๆก็มีโจรเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย เข้ามาที่ร้านของเขาตอนที่ปลอดลูกค้านะมีปืนด้วยแล้วก็มาค้นอาลิชักเพื่อจะเอาเงินบอกว่าเจอเงินไม่กี่ร้อยเขาก็ไม่พอใจก็ปืนขู่ชายคนนั้นเนี่ยว่าให้บอกที่ซ่อนเงินเก็บเงินไว้ที่ไหนเขาก็พยายามอธิบายว่าไม่มีแล้วนะมีเท่านี้แหละ โจรก็ไม่ยอมไม่เชื่อซ้อมนะทั้งต่อยทั้งเตะเรียกว่าไม่ลดลาวาสอกเลยก็ไม่ได้คำตอบนะโจรก็เลยโมโหเอาปืนจ่อขมับเลยแล้วขู่นะว่าให้บอกนะที่เก็บเงินซะไม่งั้นจะยิงนะจากนั้นก็ปฏิเสธมันไม่มีแล้วโจรก็โมโหนะ จะเหนียวไกยินนะสงสยัยติดยาไม่คิดอะไรแล้วคิดแต่จเจ้าชนะท่าเดียวก็บดีเลยนะมีบุรุษไพรสีเดินเข้ามาที่ร้านของชายคนเนี้จอเนี่มันนึกว่าตำรวจนะเนื่องจาตำรวจมาก็เลยรียบผุนผันออกจากร้านไปเลย ทิ้งชายคนนั้นเนี่ยซึ่งนอนงอกองอกิออก้นด้วยความเจ็บปวดพอเหตการสงบนะ น, นะบอกว่าชายคนนั้นเนี่ยพบว่าเมื่อถึงเวลากินอาหารนะอาหารเที่ยงมันเป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตเลยอาหารนี่มันกลับมามีรสชาติขึ้นมาใหม่ในที่สุดมันคือว่าเขารู้สึกว่ารู้สึกเบิกบานนะอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเลย ให้ความเปลี่ยนแปลงเนะี่ยในความรู้สึกงเขามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะก็อาเป็นเพราะว่าเขาดีใจที่เขารอดตายนะเกิดจะตายอยู่แล้วแต่ก็รอดตายมาได้อย่างบุดบิดแต่ทำไมดีใจที่รอดตายในเมื่อก็บ่นอยู่ทุกวันว่าอยากตายอยากตายนะแล้วทำไมถึงเวลาที่ไม่ตายแล้วรอดตายได้นี่กลับดีใจกรับแช่มชื่นเบิกบาน ก็คงเป็เพราะว่าเขาได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะชีวิตนี่มันมีคุณค่าหน้าหวงแหนในตอนที่ชีวิตเนี่ยมันราบรื่นปกติเนี่ยนะเขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อไม่อยากอยู่แต่ถึงถึงเวลาที่เจอวิกฤตนะกำลังจะตายเนี่ยถึงตอนนั้นจึงรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่านะเพราะว่าชีวิตมันมีคุณค่าหน้าหวงแหนนะ แล้วก็เมื่อรู้ตัวว่ารอดตายมาได้เนี่ยเขาก็เลยดีใจนะแล้วรู้สึกกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ไอ้ความคิดรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือความคิดว่าอยากจะตายอยากจะตายนี่มันหายไปเลยนะเพราะได้พบความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตนี่มันยังมีคุณค่าอยู่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตอนไหนนะตอนที่กําลังจะสูญเสียมันไป จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แต่ชีวิตนะที่เรามาเห็นคุณค่าต่อเมื่อมันกําลังจะสูญเสียไปเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างก็เหมือนกันนะไอ้ตอนที่มันยังอยู่กับเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่ามันเท่าไหร่แต่พอกําลังจะเสียมันไปหรือเสียมันไปแล้วเนี่ยจึงเห็นคุณค่าของมันขึ้นมามานึกดูเนี่ยก็น่าคิดนะคนเราเนี่ย จะเห็นคุณค่าของสิ่งใดเนี่ยก็มีสองช่วงนะสองขณะคือหนึ่งช่วงที่เรายังไม่ได้มีมันหรือช่วงที่มันยังอยู่ห่างไกลกับสองเนี่ยก็คือช่วงที่สูญเสียมันไปแล้วหรือกําลังจะสูญเสียมันแต่ตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยนะคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่โดยเพราะถ้าอยู่ไปนานๆเนี่ยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยนะ ถ้ามันยังเราอยากได้อยากซื้อก็ตอนที่เขาวางขายอยู่ในร้านวางขายอยู่ในร้านนี่โอ้เห็นอยากได้บางทีเก็บเอาไปฝันเลยเพราะว่าเสื้อมันราคาแพงก็ดิน้นรนขนขวายเก็บเงินเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อมันหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะ อ, อยากได้รองเท้านะ ที่ใช้ออกกําลังกายเนะี่ยอย่างเช่นพวกไนกี้เงี้ยโอ้อยากได้เลยนะบางทีถึงกับไปปล้นเข้ามาเลยนะไปปล้นเอาเงินเพื่อมาซื้อหรือบางทีก็ไปไปล้นจากเจ้าของนะที่เขากําลังสวมอยู่เพราะว่าอยากได้มากนะแต่พอได้มาแล้วนะอย่างเช่นเสื้อเนี่ยพอได้มาแล้วนะไม่กี่วันนะมันก็หมดเสน่ห์ แขวนไว้ในตู้นะก็รู้สึกเฉยๆแล้วผ่านไปไม่กี่วันรู้สึกเฉยๆ ท, ท, ทั้งๆที่ก่อนที่จะได้มันมานี่โอ้อยากได้เหลือเกินแต่พอได้มันแล้วนะไม่กี่วันนะมันก็ไม่ค่อยมีความหมายนะต่อความรู้สึกของเราอยากได้ตัวใหม่นะอยากได้ตัวที่ยังไม่ได้หรือตัวที่ยังไม่มี พอได้มันแล้วก็สักพักก็เฉยๆบางทียังไม่ทันได้ใสเลยนะแต่พอมันหายไปหรือว่าสูญเสียมันไปหรือพอจะมีคนมาขอหรือบางทีจะบริจาคนะบางคนเนี่ยเขาเล่าว่าเนี่ยเสื้อหลายตัวเลยนะซื้อมาไม่ได้ใสบางทีไม่เมินด้วยนะ พอจะบริจาคเนี่ยไอ้ทีแรกก็อยากจะบริจาคนะแต่พอเห็นกับตาจับกับมือเสียดายนะไม่อยากจะบริจาคแล้วไม่เห็นคุณค่าก็ตอนที่กำลังจะเสียมันไปหรือว่าเสียมันไปแล้วนะก็มานึกเสียใจนะแต่ตอนที่มันอยู่กับเรานี่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ ไม่ใช่เฉพาะเสื้ออย่างเดียวนะอย่างอื่นด้วยนะข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งสิ่งที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเช่นลมหายใจเงี้ยลมหายใจที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราไม่ก็เห็นคุณค่ามันเท่าไหร่นะไม่รู้สึกดีใจที่ยังมีลมหายใจหรือว่ายัางหายใจแต่ปกติแต่ม่เห็นคุณข้ากบมันตอนที่เริ่มหายใจไม่ออก จะเป็นเพราะโรคหรือเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่ทำไมตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าทำไมต้องรอให้มันจากมันไปซะก่อนนะนะจึงเห็นคุณค่าของมันคนเราเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างมากมายนะที่เป็นของดีๆีทั้งลมหายใจทั้งสุขภาพทั้งตาที่ยังมองเห็นหูที่ยังได้ยินนะคนรอบข้างที่ยังอยู่กับเราแต่เราไม่ค่อยเห็นคุณค่า ไม่เคยรู้สึกว่าเออการที่สิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้อยู่กับเรานี่เป็นเป็นโชคแต่พอสูญเสียไปก็กลับเสียอกเสียใจนะรู้สึกเสียดายซึ่งมันก็สายไปแล้วนะทำไมเราไม่กลับไม่เห็นคุณค่านะของสิ่งเหล่านั้นนะขณะที่ยังอยู่กับเราทนะ้าเราเห็นคุณค่างสิ่งเหล่านี้นะนะเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอคอยความสุขจากสิ่งที่ยังไม่มี หรือทยังหรื อ, อยังสิ่งที่ยังไม่ได้มาหรือไม่มหมดแต่เสียใจกับสิ่งที่เสียไปแล้วว่าไม่น่าเลยนะไม่อย่างชายคนนี้เนี่ยอยากตายอยากตายเนี่ยพอถึงเวลาจะตายจริงจริงชีวิตกําลังจะหลุดลอยไปโอ้ถึงข้อไม่เห็นคุณค่าพอเห็นคุณค่าแล้วเป็นไงกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมมีความสุขการมีชีวิตกินอะไรก็อร่อยแม้จะไม่ได้ซื้อจากห้าง หรือว่าจากร้านลองกลับมาเห็นคุณคางสิ่งที่เรามีโดยระลึกว่าเนี่ยสักวันนึ่งมันก็จะหายไปนะสักวันหนึ่งมันจะสูญเสียไปนะพอคิดแบบนี้เข้านะมันจะเริ่มกลับได้สตินะได้คิดขึ้นมานะแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องรวมทั้งคนด้วยนะซึ่งในอีกง่หนึ่งก็ทําให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้น